สองมีวิหารธรรมเพื่อให้มีสติไม่ได้มีวิหารธรรมเพื่อไม่ให้ขาดสติวงเล็บเปิดสามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าอห้าสิบเอ็ดในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสิบเจ็ดวงเล็บปิดเราต้องมีวิหารธรรมนะทำไมต้องมีเพราะพระพุทธเจ้าสั่งให้มีเครื่องหมายคำพูดเปิดกายเยกายานุปัสสีวิหารติปิดเครื่องหมายคำพูดใช่ไหย เอากายในกายเป็นวิหารธรรมเอาจิตในจิตเป็นวิหารธรรมเอาเวทนาในเวทนาเป็นวิหารธรรมอะไรอย่างนี้แต่ว่าเวลาไปรู้วิหารธรรมแท้ทีแรกรู้ถูกต้องพอรู้ไปหลายๆวันมันตั้งใจมากไปมันเลยกลายเป็นถล่ลงไปจ้องจิตมันเลยไปติดไปแนบอยู่ที่อารมณ์ มันไม่อยู่ห่างๆกับวิหารธรรมเวลาเราอยู่กับวิหารธรรมเนี่ยนะ an ไม่ได้อยู่ติดกันนะอยู่ห่างๆกันแล้วก็แค่ไม่ลืมมันแต่พอขาดสติก็จะลืมวิหารธรรมพอเรารู้ตัวว่าลืมวิหารธรรมมันก็จะกลับมารู้สึกตัวได้อย่างรวดเร็วมีวิหารธรรมเพื่อให้มีสติไม่ได้มีวิหารธรรมเพื่อไม่ให้ขาดสติจิตมันจะขาดสติห้ามไม่ได้มีวิหารธรรมเอาไว้อันหนึ่ง ยังคราวหนึ่งหลวงพ่อเคยไปเล่นแบบหลวงพ่อเทียนภาวนาแล้วเราไม่รู้จะภาวนาอะไรก็เล่นๆไปเล่นอยู่วันสองวันวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนเดินอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจก้าวขาไปจะไปคุยกับเขาพอขาเคลื่อนไหวปับ๊บสติกเกิดเลยรู้ว่าหลงไปแล้วเนี่ยการที่มีวิหารธรรมจะทาให้ไม่หลงนานไม่เผลอยาวแต่ไม่ใช่ทาให้ไม่เผลอเลย ถ้าพยายามเอาวิหารธรรมมาทำให้ไม่เผลอเลยจะกลายเป็นการเพ่งวิหารธรรมใช้ไม่ได้แล้ววิหารธรรมจะแปลสภาพจากการเป็นบ้านกลายเป็นคุกขังจิตใช้ไม่ได้ฉะนั้นต้องมีวิหารธรรมนะแต่ถ้าใจถลำลงไปเกาะนิ่งๆทื่อๆกับวิหารธรรมก็ให้รู้ทันมัน